นะพันสาระสำคัญของคำตอบมีอยู่ว่าจงเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ศูนย์กว่างเปล่าเนี่ยอันเดียวกันถ้าศูนย์เป็นภาษาบาลีว่างเปล่าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะทีนี้คำว่าเห็นโลกทบทวนก็คือคำว่าโลกได้แก่สิ่งที่จะต้องแตกสลายสิ่งใดที่จะต้องแตกสลายสิ่งนั้นเรียกว่าโลกโลกเนี่ยนะถ้าตามนิเทศ ขยายเป็นเอาคติ5มาเป็นเครื่องขยายคติหประกอบไปด้วย1นึ่งนิรยคตินรก 2. ติรดรฉานคติคติคือเดรฉานเปตคติคติคือเปรตแล้วก็มนุษยคติมนุษย์แล้วก็เทวคติคติคือเทวดาพรหมทั้งหมดก็นับมาเนื่องในเทวคติเดี๋ยนะแล้วก็ขันโลกธาตุโลกอายตนะโลกถ้าแสดงแบบพุทธพจน์แบบโลกวิทู โลกวิถูนั้นขยายโลกคําว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกใช่ไหมรู้แจ้งโลกแล้วก็ละโลกกับสมุทัยทําโลกอนิโรธให้แจ้งปฏิบัติด้วยโลกานิโรธคามินีปฏิปทาอันคําว่าโลกตรงนั้นขยายเป็นโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารนเรียกว่าโลกหนึ่งโลกสองคือนามและรูปโลกสองคือนามกับรูป อย่างเช่นทางตาเลยนะอย่างจิตตากับสีเป็นเป็นรูปจิตเห็นภาษาเวทนาเป็นนามอันนี้ เ, เรียกว่าโลกสองนะถ้ า, าโลกของทาวารตานะ เ, าเรียกว่านามกับรูปถ้านับเป็นโลกสามได้ไหมได้ถ้าตากับสีเกิดจากขูวิญญาณ น, นะสามอย่างประชุมการเพ็ดภาษะถ้าสีที่ดีเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาถ้าสีที่ไม่ดีเป็นปัจจัยแห่ง ทุกเวทนาถ้าสีธรรมดาทั่วไปเป็นเบขาเวทนาเพราะฉะนั้นโลกสามคือเวทนาสามเวทนาสามถ้าโลกสี่ล่ะเชื่อไหมว่ากับพลิงกระหานเนี่ยสคัญนะตาที่จะเห็นได้เนี่ยกับพลิงกระหานนี่โลกหนึ่งและที่หลอเลี้ยงตาให้เห็นเนี่ยกับพลิงกราหานก็คืออาหารข้าวปลาอาหารยุบยาที่รับประทานเข้าไปเรียกว่ากับพลิงกรหานโลกสองคือภัษาอาหาร ภาษะที่เห็นเนี่ยกระทบภาพรับกระท บ, ะ ท, บทางตาเป็นต้นเนี่ยนะโลกสคื อ, อไม่ใช่ขออภยัยที่สมคือมโนสันเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาแล้วก็โลกที่สี่ก็คือจิตนะเรียกว่าวิญญาณอาหารอันนี้ว่าโลกสถ่ทั้งโลกห้าก็คืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าตากับรูปเป็นรูปขันเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นเวทนาขันนั่นนะ เมื่อรู้สึกสิ่งใดก็จะจําหมายในสิ่งนั้นอันนั้นเป็นสัญญาขันปรุงแต่งในสิ่งนั้นเป็นสังขารขันการรับรู้ทั้งหมดเป็นวิญญาณขันเรียกว่าโลกหคือขันห้าถ้าโลก6ก็คืออยตนา6อายตนะคือตาหูจมูกเลนกายและใจแต่ละอย่างก็เป็นโลกอันนี้นับเป็นโลก6ถ้าโลกเจนี้กว้างขวางหน่อยเอาแบบของมนุษย์เลยนะ มีรูปต่างกาันมีปฏิสนธิจิตต่างกาันแบบนี้เป็นต้นนะนะฮะโลก 8... ดคือโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดนี้เป็นยังไงถ้าสีที่น่าปรารถนาอันนี้เป็นเรียกว่าได้ได้ลาบถ้าสีที่ไม่น่าปรารถนาเรียกว่าเสื่อมลาบเถ้าหากว่าสีนั้นเนี่ยนะเป็นสีที่มาตำหนิเราเขาเรียกว่าถูกมินทาสีที่มายกย่องเราเรียกว่าสารเสริ สีที่มาห้อมล้อมอันนี้เรียกว่ายศสีที่โหจากไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าเสื่อมยศสีที่ก่อให้เกิดความสุขหรือว่าก่อให้เกิดความทุกข์อันนั้นเป็นสุขทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกกระทำแปดอันนี้โลกกระทำอะไรดี น, นี่โลกกระทำอย่างนึงเลขนาดฟังทำอักษรยังให้ผลเลยอ่ะ ถ้าโลก้าโลก้าก็คือสัตววาดเกของพวกเราก็คือพวกที่ปฏิสนธิจิตต่างกันรูปร่างกายก็ต่างกันโลกสิบคืออยัยตนาสิบนะนะอเยตนะสิบตากับรูปนี่คู่ที่หนึ่งหูกับเสียงคู่ที่สองจมูกกับกลิ่นคู่ที่สมลิ้นกับรสคู่ที่สกายกับโพธาภะคู่ที่ห้าอันนี้มีห้าคู่เอาถามว่าทำไมใจไม่เอามา เพราะใจนี้นับเนื่องในโลกุตระเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่พูดถึงเอาแค่สิถ้าโลก12บสองล่ะโลกส2บสองก็คืออายตนาสบสองอนะันอายตนาส2บสองยังชอบข้อความในคำภีวิพังเลยอายตนาวิพังอนะันนอายตนาวิพังนี้พูดถึงโลกส2บสองดีพระองค์แสดงว่าโดยสุตันตในนะว่าจักโขไม่เที่ยงเป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็สาธยายบ่อยๆมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่สาธยายไปเรื่อยเปื่อยนะเออเนี่ยตานี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะสีที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เสียงที่ได้ยินก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่อยู่แค่นี้นะหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆอนะแต่อันนี้เป็นแม่บทแห่งธรรมเป็นหัวข้อแห่งธรรมะที่เราเอามามนสิกาลให้มากๆเอามาใส่ใจให้มากๆนะจะโม ก, ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือถ้าผู้สํานวนอายตนาเขาบอกว่าจะโมกนี่เป็นเชื่ออายตนาะไร คานายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากลิ่นก็เป็นคันทายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาชิดเลนเนี่ยเรียกว่าชิวหาภาษาทะนะหรือว่าชิวหายตนะชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารสตอนนี้ใครมีรสไหมรับรู้รสไหมยลืมนะน้ําลายก็เป็นรสชนิดหนึ่งเหมือนกัน So hat, ลองป่วยดูส <mich> ิรถนี้เปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นรถอันนี้เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธิภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามโนคือใจเนี่ยนะแม้กระทั่งภวังคจิตที่หลอเลี้ยงพบนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ธรรมะทั้งหลาย ไมเที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ม, มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่าโลกสิบสองโลกสิบสองนะนับเป็นทาวารเรียกว่าโลกสิบสองถ้าโลกสิบแปดก็ง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าเพิ่มมาอีกคำหนึ่งเพิ่มมาอีคําเดียวคือเช่นถ้าตากับสีก็เพิ่มคําว่าจากักขวิญญาณมาอีกคํานึงหูกับเสียงก็เพิ่มคําว่าโสตะวิญญาณมาอีกคําเดียวใช่หมสามคูณหเท่ากับสิบแปดก็จะได้โลกสิบแปดละอ่า ถ้าจมูกกับเกล็นก็เพิ่มขานะวิญญาณมาอีกคำหนึงเลนกับรถก็เพิ่มชิวหาวิญญาณมาอีกคำหนึง่งกายกับโพธาพะเพิ่มกายะวิญญาณอีกคำหนึง่งได้วิญญาณห้าแล้วนะนะถ้าฝ่ายมโนทวารละ่ะมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุเนี่ยเป็นยังไงก่อนเห็นหลังเห็นเนี่ยรเรียกมโนธาตุก่อนได้ยินหลังได้ยินเรียกมโนธาตุเกิดก่อน ปัญจวิญญาณธาตุเกิดหลังปัญจวิญญาณธาตุไอตัวมนานสิการก่อนเห็นมนานสิการก่อนได้ยินเนี่ยนะตัวนั้นแหละเรียกว่ามโนโาธาตุตัวที่รับรู้หลังจากเห็นหลังจากได้ยินนั้นก็เรียกว่ามโนโาธาตุเพราะฉะนั้นมโนาธาตุคือนําหน้าการเห็นการได้ยินการรู้เปลี่ยนรับรู้รดหรือเกิดตามหลังการเห็นการได้ยินการรู้เปลี่ยนการรับรู้รดนั้นเรียกว่ามโนาธาตุธรรมาธาตุได้แก่เจตสิกทั้งหลาย เป็นต้นแล้วก็มโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นไงนั่นแหละจิตที่คิดจะตอบจิตจะพูดนั่นแหละจิตแบบนั้นแหละเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนั่นแหละความคิดทั้งหลายแหล่นั่นแหละมโนวิญญาณธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกว่าโลกเพราะแตกสลายไปไม่มีอะไรคงทนอยู่สักอันหนึ่งไม่เที่ยงเนะเพราะถาว่าสิ้นไป เป็นทุกข์เพราะอาถะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอาถะว่าไม่มีสาระเลยไม่มีสาระเลยเออผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นเป็นผู้แทนนักเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ก็รู้ใจนักเรียนะนะเอางี้ดีวกว่าครับโรคเก้าเนี่ยนะครับ ท่านจะย่อให้มันสั้นๆเพราะว่าโลกาวนี้พูดถึงอธิบายเรื่องของของโลกอย่างกว้างมากเลยแม้แต่เลนเมื่อกี้นี้ก็เป็นโลกนะเมื่อกี้เลนก็ดีเฮาก็ดีเห็บก็ดีเนี่ยเป็นโลกเหมือนกันจนกระทั่งพรมนี่นก็เป็นโลกเทวดาก็เป็นโลกสัตว์นรลลกก็เป็นโลกเรานี่ก็เป็นโลกเนี่ยนะครับเอาว่าเอาว่าแค่กว่านั้นหน่อยดีไหมครับว่า เอาว่าเห็นโลกว่างเนี่ยเห็นยังไงครับตอนนี้ครับเห็นอะไรดีครับเอาสั้นเอาแคบๆหน่อยได้ไหมครับเอได้แต่ว่ายังไม่ถึงจะว่าเรายังไม่ถึงนะครับเรายังไม่ถึงเอาถ้ายังไม่ถึงก็เอาเอาโลกหนึ่งถึงสิบแปดก่อนอ น, นะพวกนี้คําว่าโลกก่อนถึงความหมายของคำว่าโลกนะทีนี้ในที่เห็นว่าเมื่อโลกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเห็นอย่างไรจึงจะชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเพราะฉะนั้นในหน้าสามรอยสิบเนี่ยนะ ตัวดำๆเลยว่าคำว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าอธิบายว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยเหตุสองประการเนี่ยนะเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าด้วยเหตุสองประการประการแรกด้วยการกำหนดเห็นว่าสังขารทั้งไม่เป็นไปอันในอำนาจเนี่ยนะ คือคือขันที่ว่าไปทั้งหมดหรือว่าโลกที่กล่าวไปทั้งหมดสับอีกสับหนึ่งเขาเรียกว่าสังขารคําว่าสังขารกับคาว่าโลกนี้ไม่ต่างกันโดยความหมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปในอํานาจเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นการพิจารณาโดยความเป็นของศูนย์เหมือนกันหรือของว่างเปล่าหรือว่าด้วยการพิจารณาเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของว่างเปล่าจริงๆทีนี้ในข้อดําๆนั้นเป็นหัวข้อหลักในการขยายว่าหยิบยกข้อ 2ข้อต้นนั่นแหละมาที่บายต่อไปว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการกาหนดเห็นสังขารไม่เป็นไปตามอำนาจเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมไม่ได้อำนาจในรูปอำนาจในเวทนาอำนาจในสัญญาอำนาจในสังขารอำนาจในวิญญาณถามว่าทาไมจึงเรียกว่าไม่มีอำนาจเพราะรูปไม่ใช่อัตตา ก็เลยไม่มีใครไปมีอำนาจในรูปไม่มีอำนาจในเวทนาไม่มีอำนาจในสัญญาไม่มีในอำนาจในสังขารเพราะฉะนั้นภาษาริบุทระท่านยกข้อความในคำในอนัตตลักขณะสูตรที่เรารู้กันชื่อคุ้นเคยเรียกว่าอนัตตลักขณะสูตรแต่ถ้าในสังยุตติกายขันธวรรคใช้คำว่าปัญจวคีรสูตรเนี่ยนะปัญจวคีรสูตรหรืออนัตตลักณะสูตรนะอันเดียวกัน ที่บอกว่าพิสูจนทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาไซแลว้วรูปนี้จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธก็บอกว่ารูปนี้มันเป็นอนัตตานะถ้าหากว่ารูปเป็นอัตตารูปก็ไม่อาพาธคําว่าอาพาธนี้แปลว่าบกพร่องนะเพราะรูปมันบกพร่องอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันแ ป, ปรปลวน่ะ บุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาที่หนึ่งก็พิจารณาตามอนัตตลักณะสูตรคือการพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตา ที่เป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของอ า, าพาธที่จริงวิธีอีิบายอนัตตนั้นเป็นธรรมะที่อธิบายยากอนัตตานะคำว่าอนัตตาหรือสุญญาตานี้เป็นธรรมะที่นับว่าอธิบายยากมากถามว่าทาไมจึงอธิบายยากเพราะเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งแต่พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจาักสุบเวลาจะแสดงเวลาจะอธิบายอนัตตาหรือสุญญาตา พระองค์เอาอนิจจามาที่บาย unfair, andan, หรือเอาทุกขตาทุก <emulate>, ขังเอาความเป็นทุกมาเป็นตัวอธิบายอนัตตายกตัวอย่างว่ารูปเป็นอนัตตาทีนี้ว่าจะเข้าใจในความเป็นอนัตตาของรูปพระองค์เอาอาพาธมาอธิบายอาพาธนั้นเป็นชื่อของทุกขลักษณะอาพาธหรือบกพร่องเนี่ยนะเป็นชื่อของทุกขลักษณะทุกขลักษณะนั้นเอาเป็นเครื่องอธิบายอนัตตาเป็นอย่างดี เ, เพราะรูปเป็นอนาัตตานี่แหละรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนนะเวทนาเป็นอนัตตาเพราะเวทนามันอาพาธอะสัญญาเป็นอนัตตาทำไมสัญญาจึงเป็นอนัตตาอ้าวก็เพราะสัญญาเป็นอ า, อาพาธนะั่นแหละทำไมสังขารเป็นอนัตตาเขาสังขารอาพาธทำไมวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะวิญญาณอาพาธนะแต่ละอย่างนีอาพาธ คำว่าอ า, าพาธนี้เป็นชื่อของคําว่าเป็นชื่อของทุกขลักษณะเนี่ยนะเอาทุกขลักษณะมาเป็นเครื่องอธิบายอนัตตลักษณะก็ป่วยใช่ครับคือคําว่าป่วยของเรานี้อาจจะนั่งท่าสงัะสงะสังแเหเมื่อไหรก็เรียกว่าป่วยนะแต่คําว่าอ า, าพาธในที่นี้เนี่ยแม้แต่นั่งอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าอ า, าพาธก็ไม่ปกตินั่งนั้นก็พอครับ อาจะต้องดูว่าเอาเอาอะไรเป็นเครื่องวัดด้วยวิญญาณวิญญาณอาพาธหมายคามว่าไงอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะว่าคําว่าอาพาธนี้ก็คือปีลณะ ห, หรือเบียดเบียนนั่นเองอย่างเช่นนะเบียดเบียน ด, ด้วยปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าถูกปัจจัยเนี่ปนปยปรุงแต่งขึ้นเมื่อเขาถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเะนี่ยนะเขาจึงชื่อว่าเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นจิตได้ยินที่เราได้ยินเนี่ยนะวิญญาณใช่ไหมโสตะวิญญาณเนี่ยนะ โสตวิ ญ, ญญาณจะเกิดขึ้นอาศัยทั้งหูอาศัยทั้งเสียงโสตวิ ญ, ญญาณนี้จึงเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ความอาพาธความบกพร่องของเขาเนี่ยนะถ้าหากว่าหมดหูจิตนี้นก็ไม่มีถ้าไม่มีเสียงจิตก็ไม่มีถ้าไฟดับสัอย่างหมดอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้จิตอันนี้เนี่ยมันจึงอาพาธอยู่ในตัวของเขาเนื่องด้วยปัจจัยที่มาแวดล้อมเขามากเหลือเกินนั้นเขาจึงเรียกว่าอาพาธ เรียกว่าปัจจัยก็อาพาธด้วยเหมือนกันเถอะครับปัจจัยแต่ละตัวก็อาพาธอีกต่างหากแล้วนะเพราะปัจจัยแต่ละอย่างก็เนื่องในขันห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าตัววิญญาณจะไม่อาพาธก็ปัจจัยมันอาพาธอยู่แล้วเช่นพานเช่นอะไรครับเสียงอาพาธไหมครับเพราะเสียงถ้าเสียงไม่อาพาธนะเสียงก็ต้องอยู่ปกติดังเดิมดิ<อ>เสียงถาววเลยนะยาากล้องอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วถ้าหูอาพาธนะครับอาพาธหูก็เบียดเบียนนะอย่างน้อยที่สุดนะไฟคือ ชีระนาเตโชเนี่ยมันเผาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นวิญญาณคือคื อ, ค, อคือรู้เสียงก็ต้องอาพาธแน่นอนเจนพานอันสิ่งเหล่านี้เป็นของอาพาธเขาบอกว่าคําว่าอาพาธอีกศัพท์หนึ่งนะถ้าหากว่าจะที่บายคําว่าทุกคลักษณะให้ชัดเจนเนี่ยนะเช่นของที่มีความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเนี่ยนะคับแค้นใจหรือเป็นของที่เป็นของร้อนก็ได้ถ้าพระองค์แสดงกับพระ ชาดินทั้งหลายเนี่ยพระองค์ใช้คําว่าเป็นของร้อนอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งใช้คําว่าเป็นของมืดนะนะอันนี้ก็อธิบายถึงทุกขลักษณะเหมือนกันทีนี้ข้อความในหน้าเดี๋ย<ส>เยมื่อกี้นี้ยังไม่จบนะครับท่านบอกยกมาตัวอย่างเดียวที่อธิบายลักษณะของอนัตตาคือเอาคําว่าอ น, นิจจามาแสดงลักษณะของอ น, นิจจาครับแล้วยังอื่นมีไหมครับมีแต่ว่าจะกล่าวข้างหน้าคือเอาอ น, นิจจังมาเป็นเครื่องอธิบายอนะนะ ข้ังหน้าจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี้ก็ในหน้า311เนะเรากล่าวไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะนะคืออนัตตลักษณะสูตรนั้นก็กล่าวไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วทีนี้ก็วิธีพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เป็นไปตามอำนาจนะนะั้นน่ะปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เป็นเครื่องอธิบายในความไม่เป็นไปในอำนาจของ สังขารทั้งหลายเป็นอย่างดีเนี่ยนะในหน้าส1 2สิบสองกล่าวว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าทิศสูทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอทั้งมิใช่ของผู้อื่นอาถามว่าถามทาไมว่ากายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอถ้าเป็นพวกเธอจริงๆก็ต้องเป็นอัตตาสิใช่ไหมแต่ว่าอัตตามีในตัวเธอไหม มีไหมสมมติว่าถามค้นหาอาัตราในร่างกายเราเลยเนี่ยมีไหมหาไม่ได้เมื่อหาไม่ได้กายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอคือไม่ใช่ของอัตราเธอแต่ก็ไม่ใช่ของอัตราผู้อื่นอีกนะเขาบอกว่ากายนี้ทั้งไม่ใช่ของคนอื่นเพราะกายเนี่ยไม่ได้ว่าถูกผู้อื่นแต่งมาไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ถูกคนอื่นเนี่ยแต่งมากายนี้กรรมเก่าควบคุมไว้เ อ, อกายเรานี้เนี่ยเกิดจากกรรมเก่านะ จิตประมวลไว้เพิ่งเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนากายนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาคำว่ากายนี้คือเรียกว่ารูปประกายรูปประกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างเช่นรูปประกายทางตาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามคือสุขทุกข์และอุเบกขารูปประกายทางหูเป็นที่ตั้งแห่งเวทนารูปประกายทางแมูกก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนารูปประกายทางลิ้นก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา รูปประกายทางกายก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแม้กระทาาาั่งนามกายนามกายคือความคิดทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทน า, อ, าอันนี้เกิมาจากที่วันพี่ท่านท่านบอกว่าเรื่องมาจากกรรมทำให้มีใช่ไหมครับกายเ<ว>นี่ยทำให้กรรมเก่าทําให้มีกายนะกรรมเก่าทําให้มีกายทั้งนามกายและรูปะกายไอ้กายเหล่านี้<ๆ>เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา แล้วก็กรรมนี้ก็ไม่ใช่ของใครอีกอะกรรมก็เหมือนแบบนี้นะสมมติถามว่าเออกรรมในอดีตกับกรรมในปัจจุบันก็ไม่ต่างกันนะักถ้าเป็นมนุษย์ก็คือกรรมที่มาให้เป็นมนุษย์ทั้งหลายก็คือมาจากกุศลนั่นเองอ้าแล้วที่มาทํากุศลกันอยู่เนี่ยมีใครมาทําให้ไหมกุศลจิตที่กําลังฟังธรรมอยู่เนี่ยนะมายังไงเกิดจากปัจจัยนะกุศลจิตเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยกุศลจิตที่ฟังธรรมมนศิการตามคําสอนนี้เป็นมโนกรรม ถ้าพูดมาด้วยเป็นวจีกรรมนะทั้งขีดทั้งเขียนทั้งโน้ตเป็นต้นเป็นกายกรรมกรรมเหล่านี้มีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีกรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งรูปปกายในอนาคตทีนี้ก็เอาแบบฟอร์มอันนี้ถอยหลังดูก็จะคล้ายคลึงกันเท่านั้นเองนะกรรมอันนั้นก็เกิดจากปัจจัยกายกรรมในอดีตก็เกิดจากปัจจัยปัจจัยของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตมีอะไรเป็นปัจจัย กรรมเหล่านั้นมีอะไรเป็นปัจจัยกรรมนั้นก็เรียกว่ากรรมมาพบมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยสบายมากเลยนะเวทนาก็แบบนี้อีกนี่แหละทีนี้อกายอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาก็อุปาทานอุปาทานทำกรรมใหม่อีกว่าเห็นไหมนั่งทํากรรมกันอยู่นี่เดี๋ยวมันให้ผลจะเป็นยังไงเนาะ เลยไม่มีตัวไม่มีตวเลยเป็นเรื่องของเวทนาเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเองเป็นไป<เ>ตามปัจจัยแต่แต่ละอย่างนี้เป็นไปตามปัจจัยไอ้อัตราของเดรธีเนี่ยไม่มีอัตราที่เดรธีคิดขึ้นไม่มีอัฐอัตราที่ภาลชนคิดขึ้นไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้มีไหมทไมสิ่งเหล่านี้มีไหมมีเป็นสัตจะเป็นทุกขสัต์เป็นสมุทัยสัตว์เป็นสัตวจะเหมือนกันจริงเหมือนกัน แต่ไม่มีอัตราที่คนทานทั้งหลายคิดกันเอาไว้ในนี้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมานสิการปฏิจจสมุบาติคือสิ่งที่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอย่างดีโดยเย็บคลายในกายนี้ว่าเนี่ยนะปฏิจจะเนี่ยนะแพ่งมาที่กายเนี่ยนะสงเคราะห์มาที่กายนี้ว่าเพราะเหตุนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ ity, ่งนี no le, no la la, producto, realidad, Entonces, like ้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปนะเกิดขึ้นก็จากปัจจัยถ้าปัจจัยมีผลธรรมเหล่านี้ก็มีเพราะผลธรรมเหล่านี้มีปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ไม่ง่ายนนะครับเพราะเมื่อมีปัจจัยจึงมีผล เ ม, เมื่อมีปัจจัยจึงมีผลและตัวผลตัวนี้ก็กลายเป็นปัจจัยต่อไปอีกของอีกสิ่งหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและสิ่งนี้ที่มีมาแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่จะไปมีสิ่งอื่นต่อไปเนี่ยก็ เ, เลยเป็นการเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยจึงหาไม่มีตัวตนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับรว่างเพรา ะ, ะเพราะลักษณะเมื่อเขาเป็นไปตามเป็นปัจจัยอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็น เป็นไปตามปัจจัยหรือเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกที่ทํางานทั้งหลายแหล่ก็เป็นอย่างนั้นนะนะเหมือนกับเฟืองแต่ละตัวแต่ละตัวก็หมุนกันไปเรื่อยเรืยเ ร, ยระบบสัมพันธ์กันเท่านั้นเองแต่สิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตเนี่นะเพราะส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งเป็นตัวกรรมส่วนหนึ่งเป็นวิบากความดําเนินไปแบบนี้เรียกว่าสังสารวัตรหรือสังสารจักรพระองค์ชื่อว่าอรหันต์พระทำลายสังสารจักรเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว คือเรื่องอนณตตานี่นะครับเราจะเห็นว่าถ้าอธิบายแนวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าอย่างผมเนี่ยนะจะหาทงชัยที่ไหนสมมติว่าเริ่มตั้งแต่เสียงเสียงไม่ใช่ฟังเสียงจากอย่างผมเนี่ยฟังเสียงใช่ไหมเมื่อเสียงกระทบกับหูนะครับเมื่อเสียงกระทบกับหูแล้วเกิดได้ยินเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าได้ยินเป็นทงชัยก็ไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นนูล่ละเลยไปถึงผัสสะละ เพราะภาษาเวทนาเวทนาเป็นธงชัยก็ไม่ใช่มันก็มันอยู่ไม่ได้คงที่มันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะภาษาเป็นเวทนา เ, เ ว, ทน า, วทนาเป็นเป็นปัญหาตัญหาก็ไม่ได้อยู่นานให้ให้เป็นธงชัยอีกแล้วตัญหาการเป็นอุปาทานไปอีกแล้วเพราะอุปาทานก็ไล่ลงไปไปถึงนูน่นพบอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งทฤษฎีว่าตั้งทฤษฎีเมื่อกี้อย่างถ้าพูดตามผู้การเนี่ยนะว่า hmm. ถ้าตั้งทฤษฎีว่าผู้การธงชัยมีไหมถ้าถามแบบนี้นะหาไม่พบเลย แต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่สิ่งเหล่านี้ประชุมกันแล้วเรียกว่าธงชัยเป็นได้ไหมอันนี้ได้นะเพราะว่าคําว่าธงชัยเป็นต้นก็คือคําที่อุปมากันขึ้นมาเพื่อเป็นนามบัญญัติเป็นเอาไว้คุยกันะนะไม่งั้นมันจะคุยกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องอ่ะเอาไปไงคุณขันห้าเออรูปปกายสบายดีนะรู ป, ปขันไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะเวทนาขันเป็นไงทุกขเวทนามาจากขัตสาไนอะ รูปารมที่ใหม่ดีกระทบเป็นทุกขเวทนาฝังแล้ววุ่นวายปวดหัวไปหมดเลยนะมันกลายเป็นของวัดทำของ ง, ง่ายๆให้มันยากเลยคันนี้แต่ทีนี้ภาลชนทั้งหลายสำคัญจริงๆอะ่ะเอาสิไอ้ไม่แยบคายนี่แหละเข า, าสมมติกันสมมติกันเนี่ยนะเอาสมมติว่าเรียกคนนี้หัวหน้านะเลยมั่นใจว่านึ ก, กว่าเป็นจริงๆเลยที่ไหนไ ด, <c oughs> <c oughs> ด้ยึดได้หมดอ่ะนะ